พลังแห่งความคิดก่อให้เกิดวัตถุขึ้นมาได้พลังแห่งความคิดโดยกระแสะจิตนี้ถ้ามีความเข้มข้นมากและสะสมวิบากมานานเช่นอย่างพลังของจิตใต้สํานึกหรือพวังขจิตนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสามารถบรรดาให้เกิดวัตถุขึ้นมาได้ตามความต้องการเช่นร่างกายของคนเราเกิดมาจากวิญญาณของเรา หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นพืชชีวิตเหล่านี้เกิดมาจากวิญญาณของตนเองทั้งสิน้นอันหนึ่งควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าพลังแห่งความคิดหรือพูสั้นๆว่าพลังจิตสามารถจะบรันรดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้หลายแบบแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่เรารู้กันทั่วไปนั้นต้องอาศัยการกระทาอาศัยวัตถุ อาศัยเครื่องมือเช่นคิดจะสร้างบ้านลำพังความคิดล้วนๆทาให้เกิดบ้านไม่ได้และอีกแบบหนึ่งเรียกว่าน er ิรมิตรคืออาศัยพลังจิตยอย่างเดียวก็สามารถบรรดาให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้และมักจะเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ทันทีแต่ก็เร็วกว่าแบบที่ต้องอาศัยการกระทําด้วยความแตกต่างกันในเรื่องนี้ อยู่ที่พลังจิตมีมากหรือมีน้อยได้สะสมวิบากมานานพอหรือไม่หลักอันนี้สำคัญมากคนส่วนมากไม่ค่อยจะได้คิดกันถึงเรื่องนี้ฉะนั้นจึงเชื่อกันแต่ในรูปที่ว่าต้องมีการกระทําด้วยลำพันความคิดอย่างเดียวบรรดาใี้เกิดสิ่งต่างๆไม่ได้คนมีบุญมากมักจะได้สิ่งต่างๆตามที่ต้องการโดยไม่ยาก ไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้สิ่งนั้นส่วนคนมีบุญน้อยว่าจะได้อะไรมามักจะต้องออกแรงมากเหน็ดเหนื่อยมากและถึงแม้จะได้ก็ได้ยังไม่สมบูรณ์ตัวอย่างเหล่านี้อย่ามองข้ามขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดด้วยโลกมนุษย์กับโลกทิพนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเหมือนกัน เช่นเดียวกับน้ำเหลวน้ำแข็งไอน้ําทั้งสามอย่างนี้โดยเนื้อแท้แล้วก็เหมือนกันชีวิตในโลกมนุษย์กับชีวิตในโลกทิพย์ของในโลกมนุษย์กับของในโลกทิพย์โดยเนื้อแท้เกิดมาจากสาเหตุอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในเรื่องเวลาเท่านั้นเช่นกายมนุษย์กว่าจะเกิดและสมบูรณ์ใช้เวลานานมากส่วนในโลกทิพย์เกิดเพียงชั่วขณะจิตเดียว คนมีบุญในโลกมนุษย์กว่าจะได้สิ่งของที่ต้องการจะต้องอาศัยการกระทำและใช้เวลานานส่วนคนมีบุญในโลกทิ่ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดได้ทันทีคนมีบาปในโลกมนุษย์กว่าจะได้รับผลของบาปบางทีก็นานมากส่วนคนมีบาปในโลกทิ่ได้รับผลของบาปทันทีไม่ต้องรอนาน อภิญญาทางวัตถุหรืออภิญญาทางวิทยาศาสตร์เช่นวิทยุโทรทัศน์เรดาร์คอมพิวเตอร์เครื่องบินเรือดำน้ำเหล่านี้เป็นต้นก็เกิดจากพลังจิตบรรดาที่มีขึ้นแต่ต้องอาศัยการกระทำและอาศัยสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างลำพังความคิดอย่างเดียวทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่วนอภิญญาทางจิตเช่นหูทิฟตาทิฟอ่านใจคนอื่นได้ ระลึกชาติได้ไปไหนได้ด้วยกายทิพย์สิ่งเหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการสะสมวิบากมานานคือต้องฝึกหัดมากแต่ในเมื่อเคยทําได้สักครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็ทําให้เกิดได้รวดเร็วเพียงโชคขณะจิตเดียวก็สามารถจะมีอภิญญาเหล่านี้ได้ตัวอย่างเหล่านี้ก็ขอให้พิจารณาโดยละเอียดเพราะโดยเนื้อแท้แล้ว อภินยาทางวัตถุกับอภินยาทางจิตนั้นมีต้นกำเนิดเหมือนกันข้อสำคัญอย่ามองผิวเผินและจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึง้งแล้วรู้ละเอียดว่าวิญญาณได้แสดงสมรถภาพออกมาในรูปไหนบ้างจึงจะยอมรับว่าอภินยาทางวัตถุกับอภินยาทางจิตนั้นมีต้นกาเนิดเหมือนกันและกล่าวได้อีกว่า คนที่มีพื้นสมาธิดีถึงขั้นที่จะได้อภิญญาทางจิตนั้นถ้าไปเรียนและฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเยี่ยมของโลกทีเดียวสิ่งใดที่คนอื่นคิดทำขึ้นมาไม่ได้แต่คนประเภทนี้จะคิดทำขึ้นมาได้และในทํานองเดียวกันคนที่มีสติปัญญาสามารถประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้นั้นถ้ามาเรียนฝึกฝนในทางสมาธิ เขาก็จะสามารถเข้าสมาธิถึงขั้นชาญได้โดยไม่ยากอันหนึ่งขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าพลังจิตหรือสมรรถภาพของจิตซึ่งมีมาตั้งแต่กำเนิดและมีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนนั้นถ้ารู้จักฝึกฝนให้ถูกทางแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากมายยิ่งนักเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นเลยซึ่งธรรมะอื่นแม้สักอย่างเดียวที่บุคคลอบรมทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์ย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่อบรมทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์ย่างใหญ่หลวงและข้อความที่ตรงกันข้ามกับความหมายอันนี้พระพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นเลยซึ่งธรรมะอื่นแม้สักอย่างเดียวซึ่งถ้าหากไม่ได้อบรมทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความหายณะอย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างจิตนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่ได้อบรมทำให้มากยอมเป็นไปเพื่อความหหยณะอย่างใหญ่หลวงทีเดียว ข้อความทั้งสองบทนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20สบข้อความทั้งสองบทนี้ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดและขอให้นึกถึงพุทธพจน์ที่เคยกล่าวมาแล้วบ่อยครั้งประกอบด้วยคือพุทธพจน์ที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปตัวเราคือร่างกายเกิดมาจากวิญญาณของเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณ มโนโปุพังขามาธรรมมามโนเศรษฐามโนโมยาและขอให้นึกต่อไปถึงเรื่องอภิญยาต่างๆเช่นอิทธิวิธิการแสดงอิทธิปฏิหารต่างๆอูทิปตาทิเป็นต้นซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยการอบรมจิตซึ่งต้องทำมากทำมาแล้วหลายชาติจึงจะสามารถมีอภิญยาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และขอให้นิดต่อไปอีกถึงเรื่องที่ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนเราต้องไปสู่อบายภูมิและอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนเราไปสู่สุขติภูมิคนที่จะมีความสุขหรือความทุกข์ความเสื่อมหรือความเจริญแค่ไหนอย่างไรในปัจจุบันนี้ได้มองเห็นหรือไม่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ใจของคนเรานั่นเองซึ่งถ้ามองเห็นถึงความจริงต่าง ดังที่ได้สรุปมาให้ฟังนี้แล้วเราก็จะเห็นด้วยกับพุทธพจน์ทั้งสองบทดังที่ได้อ้างมาแล้วนั้นอย่างแน่นอนทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจฉะนั้นในเมื่อจิตใจได้รับการอบรมอย่างดีแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับประโยชน์อย่างมากมายและตรงกันข้ามจิตใจของคนที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นแน่นอน ผลเสียหายก็จะต้องมีมากเช่นเดียวกันหมายเหตุผู้อ่านโดยส่วนตัวแล้วได้เจอทั้งพระและคารวาสที่สามารถอ่านใจได้และตรงกับความจริงด้วยนะครับเช่นว่าเรากำลังคิดอะไรขณะพูดคุยกันเราคิดอะไรอยู่ ขณะพิมพ์สนทนากันก็สามารถรู้ได้ว่าขณะที่พิมพ์นั้นจิตคิดถึงเรื่องอะไรไปด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าถ้ามีจริงทำไมฉันไม่เจอบ้างก็ต้องถามกลับไปนะครับว่าชีวิตประจำวันนั้นสนใจฝ่บุญมีทานศีลภาวนาอยู่ในระดับไหนเพราะการจะได้เจอบุคคลแบบนี้เราก็ต้องมีความสนใจมีจริตมีศีลมีอะไรใกล้เคียงกันด้วยจึงจะได้มีโอกาสโคจรมาเจอกัน เป็นตามกฎของแรงดึงดูดที่ว่าสิ่งเหมือนกันสิ่งคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันนะครับซึ่งในแวดวงของการปฏิบัตินั้นหลายท่านก็น่าจะได้เคยเจอกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้แต่ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าบุคคลที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์จริงจนถึงขั้นได้อภิญญานั้นท่านมักจะไม่เอามาทำมาหากินหรือแสดงออกให้รู้ยกเว้นว่าจําเป็นจริงๆกับบุคคลใกล้ชิด และการแสดงฤทธิ์ของท่านนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางธรรมของอีกฝ่ายเท่านั้นและกรณีหากจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นการเตือนการแนะนำของท่านนั้นจะแนะนำให้อยู่ในทานศีลภาวนาเท่านั้นจะไม่มีการกระทำพิธีกรรมไร้สาระหรือต้องใช้เงินหรือต้องทำบุญกับท่านซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะมีทั้งพระทั้งคาราะที่ตั้งใจหลอกลวงโดยตรงหรือบางทีก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชนำซ้ำ บางคนหนักถึงขั้นเป็นโรคจิตไม่รู้ตัวแต่คนก็ไปกราบไหว้เพียงเพราะว่าอาจมีบางครั้งที่ทํานายเดาวส่งไปและดันตรงจริงๆหรือแนะนําพิธีกรรมอะไรให้ทําเมื่อทําแล้วเกิดได้ผลเป็นโชคดีจริงๆซึ่งความจริงความโชคดีเหล่านั้นเป็นผลบุญของเขาที่จะต้องออกผลอยู่แล้วถึงไม่มีใครทํานายหรือไปทําพิธีกรรมอะไรก็จะต้องได้รับผลเช่นนั้นอยู่แล้วกคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้นะครับว่า ถ้าผมเอาสักกระเบือสักอันมาตั้งเป็นสารผูกผ้าไว้เชื่อไหมครับว่าคนร้อยคนมากราบมาไหว้มาขอพรจะต้องมีคนโชคดีหรือได้รับผลตามที่ขอนั้นจริงๆอาจจะแค่คนหรือสองคนในร้อยหรือในพันคนเท่านั้นแต่คนที่ขอไม่ได้ก็จะคิดว่าตัวเขาเองโชคไม่ดีแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรไปหาขอที่อื่นต่อแต่คนที่บังเอิญได้รับผลนั้นซึ่งความจริงผลนั้นก็มาจากบุญของตัวเอง ก็พากันมากราบไหว้มาแก้บนและในทุกร้อยคนพันคนก็จะมีคนโชคดีเช่นนี้หนึ่งหรือสองคนพอนานวันนานปีเข้าก็กลายเป็นว่าสารสักกะเบือเนี่ยสักเสธิ์ขึ้นมาทันทีด้วยปริมาณของขอ ง, ของแก้บนที่วางเกลื่อนสารและคำเล่าลือของคนบางคนที่ได้ผลดีแต่ถ้านับเป็นจนวนจริงแล้วก็ถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยมากคนผิดหวังซะส่วนมากเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของสถิตินะครับ จะเห็นตัวอย่างได้ ว, ว่าแม้แต่ความงม ง, งายของชาวบ้านที่ไปไหว้กระทั่งหลักกิโลก็ดันได้ผลจริงตามที่เขาขอไว้เช่นกันสำหรับท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้ศึกษาให้เข้าใจและพิจารณาให้รอบคอบถีทวนทุกครั้งก่อนจะเชื่อหรือมั่นใจอะไรไม่อย่างนั้นก็จะหลงทางเป็นความงม ง, ง, ง, งายเป็นศิลปตาปรามาสขัดขวางการบรรลุ ธ, ธรรมเสียโอกาสชาติหนึ่งไปฟรีและความเชื่อความฝังใจนั้น อย่าคิดว่าจะมีแค่ชาตินี้นะครับเมื่อเกิดความเชื่ออะไรไว้จะเป็นวิบากในจิตสะสมไปถึงชาติหน้าเกิดใหม่ก็จะเป็นคนงมงายได้โดยง่ายกว่าจะถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นลงผิดได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องยากแสนยากและต้องไหว้วนทนทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานอย่างน่าสงสารทีเดียวก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ